บทภาชณีปาจิตตีสรในการกำหนดเพศัตวภิกษุออกปากขอเพศัตอื่นนอกจากเพศัตที่เขาปรณาไวาต้องอบัตปาจิตตีในการกำหนดราตรีภิกษุออกปากขอในราตรีอื่นนอกจากราตรีที่เขาปรณาไว้ต้องอบัตปาจิตตีในการกำหนดทั้งเพศัตว์และกำหนดราตรีภิกษุออกปากขอเพศัตวอื่นนอกจากเพศัตวที่เขาปรณาไว้ ในราตรีอื่นนอกจากราตรีที่เขาปรณนาว้ต้องอบัตปาจิตตีในการไม่กําหนดเพศัตวไม่กําหนดราตรีไม่ต้องอบัตสา9เมื่อไม่มีความจําเป็นด้วยเพศัตวภิกษุออกปากขอเพศัตวต้องอบัตปาจิตตีเมื่อไม่มีความจําเป็นด้วยเพศัตวอย่างหนึ่งภิกษุออกปากขอเพศัตวอีกอย่างหนึ่งต้องอบัตปาจิตตีเกินกว่ากําหนดนั้นภิกษุสําคัญว่าเกินกว่ากําหนดนั้นออกปากขอเพศัตว ต้องอาบัดปาจิตตีเกินกว่ากำหนดนั้นภิกษุไม่แน่ใจออกปากขอเพศสัตว์ต้องอาบัดปาจิตตีเกินกว่ากำหนดนั้นภิกษุสำคัญว่าไม่เกินกว่ากำหนดนั้นออกปากขอเพศสัตวต้องอบัดปาจิตตีทุกทุบกฎไม่เกินกว่ากำหนดนั้นภิกษุสำคัญว่าเกินกว่ากำหนดนั้นต้องอบัดทุบกฎไม่เกินกว่ากำหนดนั้นภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัดทุบกฎไม่เกินกว่ากำหนดนั้นภิกษุสำคัญว่าไม่เกินกว่ากำหนดนั้นไม่ต้องอาบัด